ต่อไปบูชาพระพุทธเจ้ากันจะหมดเวลาหรือยัง6โมง<ม>ครึ่งแล้วเนะนี่ยแกจะได้ไปข้าพเจ้ า, ข, า, จาขอน้อมบูชาสการะ แด่พระตถาคตพุทธนะผู еты, พพ้ตรัสรู้สัจจะทั้งสี่ด้วยสัจญานผู้ตรัสรู้สัจจะทั้งสี่ด้วยกิจญานผู้ตรัสรู้สัจจะทั้งสี่ด้วยกัตตญาณ ผู้ตัดสรุสัจจะทั้งสี่ดสสสโดยรอบสามอาการสิบสองอบสจบสิ้นแล้ว จึงได้ปฏิญญาณตนเองว่า be, เป็นสัมมาสัมพุทธาข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระอริยสงฆ์ด้วยเครื่องสการะเหล่านี้ สักการะเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้น้อมนำมาและสักการะทั้งหลายที่อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าเหล่านี้และสักการะทั้งหลายที่ประมวลอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าทั้งหมด ที่ประมวลอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าทั้งหมดข้าพเจ้าขอถวายข้าพเจ้าขอถวายเป็นพุทธบูชาเป็นพุทธบูชาธรมมบูชาธรมมบูชาสังคบูชาสังคบูชาด้วยจิตที่เลื่อมใสด้วยจิตที่เลื่อมใสด้วยใจที่มุ่งมั่นด้วยใจที่มุ่งมั่นในการถวายสการะเหล่านี้ในการถวายสการะเหล่านี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้า เป็นสิทธิ์ของพระผู้มีรพระภาคเจ้าเป็นสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าวันนี้วันนี้มาทําธรรมบูชามาทําธรรมบูชาให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตน้อมจิตถวายเป็นพุทธบูชาด้วยน้อมจิตถวายเป็นพุทธบูชาด้วยเพื่อจะพัฒนาเพื่อจะพัฒนา ธรรมะบูชาเหล่านี้ให้เพิ่มในกระแสชีวิตให้เพิ่มในกระแสชีวิตของข้าพเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปของข้าพเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนสามารถจนสามารถปะชมศีลสมาธิปัญญาปะชุมศีลสมาธิปัญญาเข้าถึงจุดหมายปลายทางได้ให้ถึงจุดหมายปลายทางได้มาวันนี้มาวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายมาปฏิญญาณ ต่อหน้าพระศาสดาว่ามาปฏิญญาณต่อหน้าพระศาสดาว่าจากประชุมศีลสมาธิปัญญาจะประชุมศีลสมาธิปัญญาเพื่อออกจากอกุศลกรรมบทสิบเพื่อออกจากอกุศลกรรมบทสิบน้อมเข้าหากุศลกรรมบดสิบ<น> นกรรมบคือกายสุจรตสคือกา ย, ยสุจตสามวจีสุจเรตีวจีสุจตสีมโนสุจเรตส ม, มโนสุจตสามจะทำกายจะทากายทำวาจาทาวาจาทำ จ, จิตใจทำจิตใจให้เข้าถึงความสะอาดหมดจด ให้เข้าถึงความสะอาดหมดจดข้าพเจ้ามาปฏิญญาณว่าข้าพเจ้ามาปฏิญญาว่าจะทำศีลสมาธิปัญญาจะทำศีลสมาธิปัญญาประชุมให้ได้ในอุปจารสมาธิประชุมให้ได้ในอุปจารสมาธิเพื่อออกจากธรรมะเพื่อออกจากธรรมะที่เป็นปฏิปักต่อสมาธิแปดประการที่เป็นปฏิปักต่อสมาธิ8ประการ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 ทีนามิทะด้วยอโรมคสัญญาออกจากทีนามิทะด้วยอโรมคสัญญาออกจากวิจิกิจชาด้วยความตั้งใจเชื่อมั่นออกจากวิจิกิจชาด้วยความตั้งใจเชื่อมั่นออกจากอุทะจะด้วยสมาธิที่มั่นคงออกจากอุทะจะด้วยสมาธิที่มั่นคงออกจากสัมโมหะด้วยปัญญาออกจากสัมโมหะด้วยปัญญาออกจากความไม่ยินดีในกุศลธรรมให้ตั้งมั่นยินดี รรออกจากการไม่ยินดีใน กุศลกรด้วยการตั้งมั่นในกุศลธออกจากอากุศลธรรมอลามกด้วยกุศลธรรมที่มั่นคงออกจากอกุศลธรรมนามกด้วยอกุศลกรรมที่มั่นคงท้าพระเจ้าตั้งใจไว้ว่าท้าพเจ้าตั้งใจไว้ว่าจะประชุมศีลสมาธิจะประชุมศีลสมาธิในอปปนาสมาธิทุกระดับในอปปนาสมาธิทุกระดับจะประชุมศีลสมาธิจะประชุมศีลสมาธิในวิปัสสนาญาณทุกระดับ ในวิปัสนาญาณทุกระดับและสามารถทำศีลสมาธิและสามารถทำศีลสมาธิประชุมในมรรคผลประชุมในมรรคผลเพื่อเป็นปัจจัยแก่พ้นจากวัฏทุกขเพื่อเป็นปัจจัยจากการพ้นจากวัฏจุกกล่าวคือพระนิพพานกล่าวคือพระนิพพานขอให้พระศาสดาขอให้พระศาสดาโปรดจงรับสักการะเหล่านี้โปรดจงรับสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากทั้ง หลายเ่นี้ด้ดวอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเพื่อเป็นปัจจัยเพื่อเป็นปัจจัยแห่งการเกื้อหนุนธรรมบูชาแห่งการเกื้อหนุนธรรมบูชา อนิสงแห่งการบูชาสักการะในครั้งนี้ขอให้เป็นปัจจัยขอให้เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์ในการอันควรด้วยเธอแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเงา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 ปัจจจัยนเป็นป huh> ัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญายาให้เจริญด้วยสติปัญญายาตามส่งในชาตินี้และชาติต่อไปตามส่งในชาตินี้และชาติต่อไปจนถึงพระนิพพานจนถึงพระนิพพานในการอันควรด้วยเธอในการอันควรด้วยเธอสาธุสาธุสาธุด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี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 ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าตีเตียนันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นนั้นเพื่อการสารวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป